เกณฑ์จำแน่ประเภททักษิณายบุคคลหรืออารยบุคคลแบบที่2อทักษิณายบุคคล7หรืออริยบุคคลเเกณฑ์แบ่งแบบนี้จะตามอินซีที่แก่กล้าเป็นตัวนำในการปฏิบัติและสัมพันธ์กับวิมคกจึงควรทราบอินซีและวิโมวกแปก่อนอินซีแปลว่าทรรมที่เป็นใหญ่ในกิจ หมายถึงธรรมที่เป็นเจ้าการในการครอบงำหรือกำราบสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ในการปฏิบัติธรรมคือความขาดศรัทธาความเกียดคร้านความเพิกเฉยปล่อยปละละเลยความฟุ้งซ่านและการขาดความรู้ความหลงผิดหรือการไม่ใช้ปัญญาอินทรีย์เป็นอำนาจที่หนุนนำให้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปได้มี5อย่างคือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิ และปัญญาศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือความเพียรสติคือความระลึกได้หรือครองใจไว้กับกิจที่ทำสมาธิคือความมีจิตตั้งมั่นและปัญญาคือความรู้ชัดหรือความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมอินทรีย์แต่ละอย่างของต่างบุคคลจะยิ่งหรือย่อนไม่เท่ากันอินทรีย์ที่ทาให้เกิดความแตกต่างในการบรรลุธรรม จนเป็นเกณฑ์แบ่งประเภททักิไนหรืออริยบุคคลมีสมอย่างคือ 1. สัตทินสีอินสีคือสัทธา 2. สมาทินสีอินสีคือสมาธิและ 3. ปัญญินสีอินสีคือปัญญาวิโมะแปลว่าความหลุดพ้นหมายถึงภาวะที่จิตหลุดพ้นจากธรรมที่เป็นปฏิปักิทั้งหลายเพราะจิตนั้น ยินดียิ่งในอารมณ์ที่กำลังกำหนดจึงน้อมดิ่งเข้าอยู่ในอารมณ์นั้นในเวลานั้นจิตปราศจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายจึงเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นแต่ก็เป็นเพียงความหลุดพ้นด้วยกำลังสมาธิในฌานสมาบัติและเป็นไปชั่วคราวตราบเท่าที่อยู่ในฌานสมาบัติเหล่านั้นเว้นแต่วิโม ข, ข้อสุดท้ายคือข้อ8สัญญาเวทยิตะนิโรธหรือนิโรสมาบัต ซึ่งเป็นวิสัยจำเพาะของพระอนาคามีและพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นเด็ดขาด ต, ตามขั้นตอนของท่านเองอยู่แล้ววิโมกที่เหลือเจ็ดข้อแรกจึงเป็นเพียงความหลุดพ้นด้วยกำลังสมาธิในฌานสมาบัติและเป็นไปชั่วคราวตราบเท่าที่อยู่ในฌานสมาบัติเหล่านั้นไม่ใช่วิมุตตที่เป็นความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกสิ้นเชิงซึ่งเป็นวยพจน์ของนิพพานวิโมกอนุโลมเรียกเป็นวิมุตตได้ เฉพาะเมื่อใช้คำว่าเจโตวิมุตต์เจโตวิมุต ต, ต์คือความหลุดพ้นแห่งจิตด้วยกำลังสมาธิวิโมกมีแปดอย่างคือวิโมกที่หนึ่งผู้มีรูปมองเห็นรูปทั้งหลายข้อนี้หมายถึงรูประชานสีของผู้ที่ได้ฌานโดยเจริญกสิณที่กำหนดวัตถุในกายตัวเช่นสีผมเป็นต้นเป็นอารมณ์วิโมกที่สองผู้มีอารูประสัญญาภายใน มองเห็นรูปทั้งหลายภายนอกข้อนี้หมายถึงรูปประฌานสีของผู้ที่ได้ฌานโดยเจริญกสินกําหนดอารมณ์ภายนอกวิโมกข์ที่3ผู้น้อมใจดิ่งไปว่างามข้อนี้หมายถึงฌานของผู้เจริญวันนกกระสินกําหนดสีที่งามหมดจดเป็นอารมณ์หรือตามคัมภีร์ปฏิสัมพิธามากว่าฌานของผู้เจริญอัปปัมมัญญาคือพร ม, มวิหารสี ได้แก่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นอารมณ์ซึ่งทำให้มองเห็นคนสัตว์ทั้งหลายงดงามน่าชมไปหมดไม่น่ารังเกียจเลยวิโมกข์ที่สเพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆาสัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจนานัตสัญญาคือไม่ใส่ใจความกำหนดหมายภาวะที่เป็นต่างๆ จึงเข้าถึงอากาศสานัญจายตนะโดยมณสิการว่าอากาศหรือช่องว่างหาที่สุดไม่ได้วิโมกที่หเพราะล่วงเสียซึ่งอากาศสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณนัญจายตนะโดยมณสิการว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้วิโมกที่6เพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงอากินจัญญายาตนะโดยมนสิการว่าไม่มีอะไรเลยวิโมกข์ที่เจ็เพราะล่วงเสียซึ่งอากินจัญญายาตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายาตนะอยู่วิโมกข์ที่8เพราะล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายาตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงสัญญาเวทยียตนะนิโรธอยู่ว่าโดยสาระสําคัญ วิโมก8ก็คือการแสดงสมาบัติทั้งหลายครบถึงอนุปปภวิหารสมาบัติ9อีกแนวหนึ่งนั่นเองดังจะเทียบได้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่7ทับประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้วิโมกที่หถึงมหมายถึงรูปปาน4วิโมกที่4ถึงหมายถึงอรูปปาน4รวมวิโมกที่1ถึง คือรวมรูปฌานสี่และอะรูปฌานสี่ก็หมายถึงสมาบัตแ8ส่วนวิโมกที่8หมายถึงนิโรธสมาบัตรรวมวิโมกทั้ง8ข้อก็คือสมาบัตแ8กับนิโรธสมาบัตก็เป็นอนุ ป, ประวิหารสมาบัติ9ในการปฏิบัติอินซีจะมาสัมพันธ์กับวิโมกดังนี้คือเมื่อเริ่มปฏิบัต ผู้ปฏิบัติจะมีสัตทินรีหรือปัญญินรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแรงกล้าเป็นตัวนําถ้าผู้นั้นไปบําเพ็ญสมาถะจนได้วิโมกก็จะเปลี่ยนไปเป็นสมาทินรีเป็นตัวนําที่ว่าได้วิโมกในที่นี้หมายถึงวิโมกที่สี่ขึ้นไปคือได้ถึงอรูปฌานส่วนผู้ที่ยังคงมีสัตทินรียหรือปัญญินทรีย์เป็นตัวนําก็อาจได้ถึงรูปฌานที่สี่ แต่ไม่สามารถได้อารูปฌานพูดกลุ่มๆว่าไม่อาจได้วิโมกยังไรก็ดีถึงหากจะมีสมาธินีเป็นตัวนำแต่เมื่อถึงตอนท้ายสุดสมาธินีนั้นก็ต้องกลายเป็นฐานให้แก่ปัญญินีอยู่ดีต่างแต่ว่ากว่าจะถึงตอนนั้นสมาธินีก็ได้ช่วยให้เกิดวิโมกเสียก่อนแล้ว